เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ เมื่อได้สัมภาษณ์ใกล้ชิดกับท่านสุปฏิปันโน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ 11 หรือว่าเดือน พ่อของแม่ชีนารีชื่อนายห้อยเซงใสเป็นพ่อค้าขายวัว ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นนับว่าอยู่ใน การอยู่เย่าเฝ้ากับเรือนนั้นปรากฏว่าไม่ว่าจะ 16 ปีก็ถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวงานวัดใกล้ ว่าในกระบวนสาวสวยในกระบวนสาวสวยแล้วไม่มีสาวบ้านไหนจะสวย คุณย่าเล่าว่าไม่เคยรักนายวินดีมาก่อนเลยเมื่อมาอยู่ในห้อง ต้องมาจายนามสกุลคุณย่ามีลูกได้กัน 6 คนเป็นหญิง 4 ปีปรากฏทั้งนั้นทั้งๆที่ลูก หลวงปู่มั่นออกบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่เพราะว่าเขาไม่รู้จักพระท่านเมื่อ ระหว่างที่มีความรู้สึกอยากบวช ต่อมาก็มีดวงแก้วกลมใสเย็นตาลอยลงมาจากเบื้องบนมีภาณแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วแก้วกลมก็ลอยมาวางอยู่บนภาณขนาดเท่ากะลามะพร้าวคุณย่าก้มลงกราบแล้วเชิญภาณ ลอยลงมาวางบนบ่าขวาอีกองค์เป็นสีเหลืองทองขนาดเท่าลอยลงซ้ายระหว่างที่งงกับปาฏิหาริย์ประหลาดนี้เองไปสู่เบื้องบนเสร็จแล้วก็ได้มีกุฏิอยู่หลังนึงศาลาหลัง ยังโปรงอกปิติปราโมทย์ปรองอกปรองใจสุดที่จะพรรณนาเมื่อ เปิดหีบดูแกรงว่าจะเป็นพานอย่างเดียวกันแต่คนละลูกปรากฏว่า ที่ว่าเห็นเป็นแก้วโปร่งใสนั้นแม่ชีนารีอ่า คุณย่าก็เลยต้องเอาเข้าไปถวายเองซึ่ง ส่งพระสงฆ์มาที่บ้าน 3 รูปอ่าคงจะ ก็พากันมาดูหลายเช่นบ้านกุดน้ำบ้านผักกระสู้บ้านหนองชะงายแล้วก็ต่างมี 700 บาทซึ่งเงินในสมัย 8 ค่ํา 4 ตอน คุณย่านารีก็ยังจําเป็นจะต้องลูกและสามีก็ตามไปด้วย โดยคุณย่าเดินนําหน้าแต่ปรากฏว่าท่านเดินๆที่ท่านเห็น คุณย่าก็บอกว่าท่านสอนให้ภาวนานะโมแล้วก็พุทโธแล้วก็อธิบายว่าณก็คือ ส่วนธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาไม่ถือเมื่อละจากกุละนั้นแล้ว มารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมด้วยข้าวว่าบุพพาจารย์คือเป็นผู้สอนก่อนใครทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดา ไม่มีรูปกายก็ทําอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยกายก็ทําอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนี้ตัวของ ฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนและเมื่อสําเร็จแล้วก็คงจะรู้ แม่ชีนารีหรือจะใช้องค์อื่นก็ได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าองค์เช่นนะเข้าโม หลวงปู่จิตมันพักบอกก็ปล่อยให้มันเฉยไปนั่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันจะรู้ขึ้นมาเองมันขี้คร้านจิตมันพักเมื่อเรื่อยๆมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองเกิดปัญญา ถ้านั่งเฉยไปจนจิตแก่กล้าแล้วที่ย่าเห็น เห็นพระอุทายีพระอนลเห็นหมดท่านพาหญ้าขึ้นไปเบื้อง อดีตชาติได้ผุดโผล่ขึ้นมาให้ย่าเห็นอย่างอยุธยาเคยเป็นกษัตริย์เป็นทหารเป็นเศรษฐีคือ เป็นเสือเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกืออัน คุณย่าบอกว่าจิตวิญญาณนั้นไม่ อาจารย์หลุยจันทสาโรก็เคยเกิดเป็นลูกของย่าใน มีคนเรียนถามท่านว่าการตั้ง มันมันก็คอยจับผิดเรากลั่นแกล้งเราจะนั่งสักถ้านั่งไม่ครบนี่ผิดศีลเลยไม่จําเป็นต้องตั้งสัจจะหรืออธิษฐานอะไรหรอกนั่งได้ คือมีความเพียรเรื่อยไปข้อสําคัญตอนเปลี่ยนอิริยาบถนี้ต้องคอยมีสติเช่นโยกไปโยกมาหน้า เนื่องจากกรรมก็มีเนื่องจากขันธมาร จนได้สู่หลวงตามหาบัวต้องเอาหาม ต้องนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย ตาจิตตรงกระจายไหมกับสังขารมั้ยเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องเร่งบังคับมันจิตก็จะเป็นสมาธิมีความวิเวกเกิดขึ้น ก็ให้มีสติรู้เท่า ไปอยู่บ้านคู 9 คืนก็ติดตามท่านไปเข้าพรรษาที่วัดอำเภอหนองผือๆบ้างเหรอ หลวงปู่เวลาไปทุรดงหาที่สงัดวิเวกท่านชอบไปรูป เวลาเจ็บต้องปราบมันให้อยู่ตรงไหนให้ข่มมันตรงนั้นต้องสู้มันอย่างยอมตายอ่าต้องปราบมัน รู้เท่าทันรู้หมดเมื่อรู้เท่าทันก็หายไป แก้ปัญหาให้เขาเค้ามาให้สอนก็สอนกันๆเหม่ารถกันมาจากสมุทรสาคร พวกชั้นไหนล่ะที่มาให้คุณย่าสอนหมายถึงพวกเทพอ่ะคุณย่าบอก เอ่อหลอพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่หรือเปล่าคุณย่าหรือว่าเอ่อศูนย์ศูนย์เพราะคนธรรมดาไม่เห็นแต่ที่เห็นก็เห็นท่านยัง เวลานี้ท่านก็ยังเที่ยวโปรดลูกศิษย์ลูกหาอยู่เมื่อตอนถวายเพลิงองค์ท้าวมหาพรหมมา อง, 6 องค์เทพบุตรมา 2 อง, ดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้สวรรค์เหมือนดอกลั่นทมส่งกลิ่นหอมตลบครับย่าไปมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ครับ